ครั้งนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้มีพระพุทธบริหารดํารัสเรียกปัญจวัคคีย์พิขุด้วยพระพุทธดีกาว่าภิกเวดังนี้แล้วจึงโปรดประธานพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยวาระพระบาลีดังนี้ว่าทเเมพิกเวอันตาปะพาชิเตนะลากถึงนิพพานายะสังวัตติในนังสือท่านลงข้อความบาลีเต็มทั้งหมด แต่ในที่นี้ขอเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอธิบายตามวาระพระบาลีว่าพิกเวดูกรภิกษุทั้งหลายอิเมอันตาทำอันลามกทั้งหลายนี้มีสองประการอันบรรพชิตในพระบวรพุทธศาสนาอย่าพึงสองเสพเลยเป็นอันขาดทาอันลามกสองประการนั้นคือการมาสุ ข, ขันลิกานุโยกประการหนึ่ง อัตตากิลามาฐานุโยกประการหนึ่งกามสุขคันลิกานุโยกนั้นคือสภาวะกำหนัดยินดีในกามคุณกามปิปาโสมีความปรารถนาความอยากซึ่งกามคุณนั้นเป็นกำลังกามเปาิีลาโโหมีความกระวนกระวายสแสวงหากามคุณไม่สิ้นไม่สุด ไม่หยุดหย่อนจากความปรารถนากามะมุชะสันดานนั้นสยบมัวเมาอยู่ด้วยกามมคุณวิตกวิจารอพิรมชมชื่นอยู่ด้วยกามคุณมีได้ยินดีที่จะออกบรรพชามีแต่จะลุ่มหลงมัวเมาเกลือกลัวอยู่ด้วยกามมคุณปฏิสัลลาสูกโรวิยะ มีอุปมาดุดดังว่าสุกรอันนอนปลักอยู่ในหลุมคูดชื่นชมยินดีบริโภคซึ่งลามกสำคัญว่าดีตามวิสัยสุกรอย่างนี้แหละเรียกว่ากามสุขันลิการุโยกการมสุขันลิการุโยกนี้เป็นของชั่วเป็นของลามกสุสาเนปฏิตกุลนโปวิยะ มีขรัวานาดุดซากอสุภะอันทอดทิ้งกลิ้งอยู่ในสุสานประเทศป่าชา้าอัติการขลูประมาถ้ามิฉะนั้นเบญจา ก, การมคุณ น, นี้เปรียบดุดร่างอัติอันเปล่าทอดทิ้งกลิ้งอยู่เหนือเมธนีดลบุคคลอันบริโภคกามคุณ น, นั้นมีขรุวานาดุดดังว่าสุนัขอันกัดถึงซึ่งร่างอัติอันเปล่า จะได้อิ่มนํำมากว่าหน่อยหนึ่งหาไม่ได้สุ ป, ปีนากูประมาลักษณะที่ยินดีบริโภคเบญจการมคุณ น, นั้นมีครุวนาดุดดังว่าความฝันเพราะเหตุว่าแปรปรวนเป็นอื่นไปในขณะครู่เดียวยามเดียวไม่ยังไม่ยืนอังคารากาสูประมาการมคุณทั้งห้านี้ มีอุ ป, ปมาดุดขุมฐานเพลิงอันพิลึกบุคคลยินดีบริโภคเป็นจา ก, กามคุณ น, นั้นมีขรุวนาดุดดังว่าบุคคลนั้นตกลงในขุมฐานเพลิงมีแต่จะถึงแก่มรณภาพเป็นเบื้องหน้าแม้มีตายก็จะได้สวยทุกขเวทนาแทบบรรดาตายฉันใดก็ดีบุคคลอันมัวเมาอยู่ด้วยราคะดำริศนานี้ก็หน้าที่และจะเวียนตายเวียนเกิด เวียนทุกขเวทนาอยู่ในวัฏตาสงสารเป็นสาหัสสากันมีอุปมาดังนั้นวิสรุขะพลูปมาเ็นจา ก, กามคุณทั้งห้านี้มีครุวนาดุดดังว่าผลไม้อันมีพิษบุคคลอันินดีบริโภคกามาคุณนั้นมีครุวนาดุดดังว่าบุคคลอันหลงบริโภคซึ่งผลไม้อันมีพิษ สูปมาถ้ามีดังนั้นเบญจา ก, กามคุณทั้งห้านี้มีคารุวนาดุดดาบและกระบี่หอกและเหลาบุคคลผู้หลงอยู่ด้วยเบญจากามคุณนั้นมีครุวนาดุดดังว่าบุคคลอันต้องประหารด้วยดาบและกระบี่และหอกและเหลามีแต่จะได้ความลำบากเป็นเบื้องหน้าถ้ามีตายก็จะได้ทุกขเวทนาแทบบรรดาตาย จะได้ผลได้ประโยชน์มากว่าหน่อยหนึ่งเพราะบริโภคซึ่งเบญจา ก, กามคุณ น, นั้นหาไม่ได้อาศัยเหตุชนี้กามสุขขันธิกานุโยคคือสภาวะกำหนัดยินดีบริโภคกามคุณ น, นี้จึงได้ชื่อว่าฮีนะว่าเป็นของชั่วของลามกเลวสามคัมโมกามสุ ข, ขันธิการุโยคนี้ เป็นของชาวบ้านสิงคาลานังวิยะสันตโกดุจซากอสุภะอันเป็นของแห่งสุนักจิ้งจอกทั้งปวงวิยะคูทะราศีถ้ามิฉะนั้นมีครุวนาดุจ ด, ดังว่ากองคูดอันเป็นของแห่งกีมิชาต์มูนอนทั้งปวงวิยะจันทนิกามิฉะนั้น ดุจที่น้าครัมอันเป็นของแห่งสุกรทั้งปวงขี่ฮีนางสันตโกการมาสุขันลิกานุโยกนี้เป็นของแห่งเขาฤ ห, หัตจะได้เป็นของแห่งบรรพชิตหามิได้มีครูวานาดุจ ด, ดังว่าลูกขางอันเป็นของเล่นแห่งทารกน้อยๆโอทุตชานิโกการมาสุขคันลิกานุโยกนี้ เป็นของแห่งปู่ทุชนอันเป็นพานปุถุชนย่อมสั่งสมเนืองเนึ่งบริโภคเนืองเนืองอุดติทถักกันชิกาวิยะมีครวนาดุดปลายข้าวและกแกลบรำอันเป็นเดน่นอันบุคคลละทิ้งไว้เทไว้ในรางเป็นอาหารแห่งสุกรสุกรบริโภคเนืองเนืองอิวะคูทากูปัง อันหนึ่งมีครุวณาดุดหลุมคูดอันเป็นที่เสพเนืองๆแห่งสุนักบ้านและสุนักจิ้งจอกเป็นต้นเป็นประทานสุสานางวิยะถ้ามีฉนั้นครุวณาดุดที่ป่าช้าอันโซโครกไปด้วยร่างอสุภะและเป็นที่ซองเสพแห่งสุนักและแรงกาทั้งปวงเป็นสัพรพภาษาทานวัจกูติวิยะ ถ้ามีฉะนั้นการมาสุ ข, ขันลิกานุโยกนี้มีครุวนาดุดเวจกุดีคือที่่ายอุจระอันเป็นสพภาาทานทั่วไปแก่ชนทั้งปวงและโสโครบปฏิกูลพึงเกลียดพึงชังอาจจะมาติดถังวิยะถ้ามีฉะนั้นมีครุวนาดุดดังว่าน้ำล้างอาจมและมอล้างอาจม อันเป็นสัพพสาทานทั่วไปแก่ชนทั้งปวงอนาริโยการมาสุขคันลิกานุโยกนี้มิได้เป็นของแห่งอริยาบุคคลอริยาบุคคลมิได้ปรารถนาวิยะจันทาลานังภริยามีครูวนาดุดดังว่าภริยาคนจันทานอันมิได้เป็นที่ปรารถนาแห่งพรหาหมาสาลทั้งหลายผู้มีชาติมีตระกูล สุนักขสูการะนังอาจารโววิยะและกิริยามัญญาตเสวนะประโยคมิได้เป็นของแห่งพระอริยบุคคลมีครุวนาดุดดังว่ามัญญาตแห่งสุนักลสุกรอันมิได้เป็นของแห่งพระยาไ ค, ครซ้อนราชสีวิยะหีนะชัดจานังกรมมังถ้ามีฉะนั้นกามาสุขคันลิกานุโยคนี้ มิได้เป็นของแห่งพระอริยบุคคลมีครุวนาดุดการอันชั่วและมิได้เป็นของแห่งบุคคลผู้บริบูรณ์ไปด้วยชาติด้วยตระกูลอนัตถสันหิโตการมาสุ ข, ขันลิกานุโยกนี้จะได้นำมาซึ่งประโยชน์มากว่านอยหนึ่งหาไม่ได้มีแต่จะทำให้ได้ทุกข์ให้ถึงซึ่งความตายความชิบหาย ยักษนีปริคาหิตากันตารังวิยะมีครุวนาดุดดังว่ามราคาคือถนนอันกันดานอันนางยักษีนีห่วงแหนอยู่ผู้ใดไปตามมราคาคือถนนอันนั้นก็มีแต่จะได้ทุกมีแต่จะถึงความตายความชิบหายอาศีวิโสวิยะถ้ามิฉะนั้นมีครุวนาดุดดังว่าอสรพิษ ม่ได้กระทําให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคูรธารายะมาทูวิยะถ้ามีดังนั้นดุดดังว่าน้ำพึ่งอันติดอยู่ในโคมกริผู้ใดโลภอาหารเป็นคนมากกินเห็นแก่จะกินลิ้มเลียรสน้ำอ้อยน้ำพึ่งที่โคมกริลิ้นก็จะขาดถึงแก่ความตายชั้นใดก็ดีบุคคลมัวเมาบริโภคกามคุณ น, นี้ ก็มีแต่จะได้ความตายความชิบหายมีอุปมาอดังนั้นอัมพสัตยายะวิสภพละพิโควิยะบุคคล น, นั่นมัวเมาลุ่มลงอยู่ด้วยราคะดำลฤษณานี้มีครูวนาดุดบุคคล น, นั้นหลงบริโภคซึ่งผลไม้อันมีพิษด้วยสัญญาว่าผลมะม่วงมีแต่จะได้ทุกขมีแต่ความตายความชิบหายเป็นเบื้องหน้า จะได้เป็นคุณอันใดอันหนึ่งหามิได้ถ้ามิฉนั้นบุคคลที่หลงบริโภคกรรมคุณนี้มีครุวนาดุษสัตว์ในนรกอันหลงเข้าไปในนรกอันใหญ่ด้วยสำคัญสัญญาว่าเป็นบ้านเป็นเมืองยักขินิยาสังวาโสวิยะถ้ามิฉนั้นมีครุวนาดังว่า บุคคลอันสมัครสังวาดอยู่กินกับนางยักษินีด้วยสําคัญว่าเป็นหญิงมนุษย์มีแต่จะได้ความชิบหายเป็นเบื้องหน้าถ้ามิฉะนั้นดุดดังว่าการลงกินซึ่งซากช้างอันลอยไปในแม่น้ำด้วยสําคัญว่าเป็นยานอันดีจะไม่จมลงเมื่อโลกอาหารเห็นแกจะกินเฝ้ากินซากอสุภาษช้างอันลอยไปตามกระแสน้า ซากอสุภานั้นลอยไปลอยไปจนถึงมหาสมุทรอันลึกแล้วกานั้นก็มีอาจสามารถจะบินกลับเข้าฝั่งได้ก็จมอยู่ที่สากอสุภาช้างตราบเท่าจนตายในยท้องพระมหาสมุทรนั้นและมีอันใดบุคคลนั้นหลงบริโภคกามคุณ น, นี้ก็มีแต่จะต้องทุกข์ต้องภัยมีแต่จะได้ความยากความลำบากความตายความชิบหาย จะได้เป็นประโยชน์หน่อยหนึ่งหาไม่ได้มีอุปมายดังนั้นบัณฑิตชาติสาธุชนผู้ปรีชาพึงสันนิฐานทราบความเถิดว่าบทคือกาาสุ ข, ขันลิกานุโยโคนี้สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคหากตรัสเทศนาแสดงโทษแห่งเบญจา ก, กามคุณแก่ปัญจวัคคียพิขุทั้งห้า ในธรรมจักกับประวัตนณะสุดตันตะเทศนาโดยเอเนกปริยายด้วยประการดังพันานามาชนีแม้ถึงในมหาทุกขักขันทสูตรนั้นพระองค์ก็ทรงเทศนาแสดงโทษแห่งกรรมคุณทั้งห้าเป็นเอเนกปริยายมากกว่ามากแก่พิขูทั้งหลายในพระนครสวัสี มีกระสาพุทธะปริหารทรงภาษิทว่าโกจัดพิกเวกามานังอัสสาโธดูก่อนพิขุทั้งหลายความยินดีในกามคุณทั้งหลายนั้นเป็นดังรือดูก่อนพิขุทั้งหลายกามคุณ น, นี้มีอยู่ห้าประการคือรูปควรจะพึงรู้ด้วยจกักขูวิญญาณหนึ่งเสียง ควรจะพึงรู้ด้วยโสตาวิญญาณหนึ่งกลิ่นควรจะพึงรู้ด้วยคานาวิญญาณหนึ่งรสควรจะพึงรู้ด้วยชิวหาวิญญาณหนึ่งผดทัพพระควรจะพึงรู้ด้วยกายะวิญญาณหนึ่งเป็นห้าประการด้วยกันดูก่อรพิขูทั้งหลายกามคุณทั้งห้าประการนี้เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดี เป็นที่พึงใจประกอบในการควรจะพึงกําหนัดอิเมโคพิกเวดูก่อนพิกขุทั้งหลายกามคุณมีห้าประการดังตถาคตแสดงมาชะนี้ดูก่อนพิกคูทั้งหลายสุขและโสมนัสอันใดอาศัยซึ่งกามคุณทั้งหลายนี้แล้วบังเกิดสุขและโสมนัสนั้นได้ชื่อว่ายินดีในกามคุณ โกจ่าพิกขเวอาธีนโวดูก่อนพิกขูทั้งหลายโทษแห่งกรรมคุณทั้งหลายนั้นเป็นดังรือดูก่อนพิกขูทั้งหลายกุลบุตรบางพวกในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยศิลปาศาสตร์อันใดคือตั้งไว้ซึ่งสําคัญข้อนิ้วมือแล้วและนับคณน า, นาคือนับมิได้ขาดบินทักณน า, นาคือนับเป็นหมวดและดูซึ่งที่นาแล้วก็รู้ว่า ข้าเปลือกในนานี้มีประมาณเท่านี้เท่านี้และดูต้นไม้แล้วก็รู้ว่าผลไม้ในต้นไม้นี้มีประมาณเท่านั้นเท่านั้นอากาเสโอเลเกตวาแลขึ้นไปบนอากาศก็รู้ว่าสกุลชาติหมูนกทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นเลี้ยงชีวิตด้วยกสิกรรมถากไร้ไถนา เลี้ยงชีวิตด้วยพาณิชกรรมค้าขายทางน้ำทางบกเลี้ยงชีวิตด้วยโครักขกรรมรักษาโคของตนก็ดีของผู้อื่นก็ดีขายซึ่งโครถเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตด้วยถือซึ่งอาวุธแล้วและกระทาการบำเรอราชเลี้ยงชีวิตด้วยเป็นราชบุรุษกระทาราชการด้วยแต่งเครื่องอาวุธต่างๆเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปศาสตร์อันใดอันหนึ่ง มีศิลปศาสตร์ช้างและศิลปศาสตรม้าเป็นต้นสีตัดสะปุรคขิโตอันหนาวหากเบียดเบียนอันร้อนหากเบียดเบียนลมและแดดหากแผดเผาเหลือบขบยุงกัดต้องสัมผัสงูเล็กและงูใหญ่กายเหี่ยวแห้งด้วยอยากข้าวและอยากน้ำพิกเวดูก่อนพิขูทั้งหลาย กิริยาที่เลี้ยงชีวิตด้วยมุตตาศิลปาศาสตร์นั้นก็ดีกิริยาที่ลำบากกายด้วยหนาวแล้วร้อนนั้นก็ดีทั้งนี้ล้วนเป็นโทษแห่งกามคุณทุกขัขันโธกองทุกเห็นประจกักษ์นี้มีกามคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกา ม, ค, กา ม, ค, ม, กามคุณเป็นโทษแห่งกรมคุณมีกามคุณเป็นโทษ ดูก่อนพิขูทั้งหลายเมื่อกุลระบุตรนั้นเพียงพยายามเพื่อจะเลี้ยงชีวิตดังนี้เตโพคาสมบัติทั้งหลายนั้นก็มิได้สำเร็จแก่กุลระบุตรผู้นั้นผู้นั้นก็โศกเศร้าเสียใจลำบากกายลำบากจิตปริเทวนาการตีอกชกเสียนถึงซึ่งหลงไหลฟั่นเฟือนสติออกวาจาว่าโมคังวตัตเม อุทนาวิริยังความเพียรของเรานี้เปล่าแท้พยายามของเรานี้หาผลประโยชน์มิได้เสียทีเพียรเสียทีพยายามพิกเเวดูก่อนสงทั้งหลายทั้งนี้แต่ล้วนเป็นโทษแห่งการมาคุณทุกขราศีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้ก็เพราะมีการมาคุณเป็นต้น เป็นเหตุแห่งกรรมคุณมีกรรมคุณเป็นโทษเป็นโทษแห่งกรรมคุณตัดสาเจพิกเวดูก่อนพิกขูทั้งหลายเมื่อกุณละบุตรนั้นเพียรพยายามเพื่อจะเลี้ยงชีวิตด้วยประการดังนี้เตโพคาหากว่าสมบัติทั้งหลายนั้นสำเร็จแก่กุณละบุตรนั้น กุลระบุตนั้นก็ย่อมได้เสวยซึ่งทุกขโทมนัตมีรักษาซึ่งสมบัตินั้นเป็นเหตุด้วยใส่ใจว่าทำอย่างไรดีหนอถท้าพระยาจึงจะไม่นำซึ่งทรัพย์ของเราไปได้โจรทั้งหลายจึงจะไม่นำทรัพย์ของเราไปได้เพลิงจึงจะมิได้ไหมทรัพย์ของเราได้น้ำจึงจะไม่พัดเอาทรัพย์ของเราไปได้ศัตรูหมู่ร้ายจึงจะไม่นำทรัพย์ของเราไปได้ ให้วิตกวิจารเป็นทุกข์ไปด้วยการจะรักษาทรัพย์ดังนี้ตัสสะเอวังอรัคคโตเมื่อกุลระบุตนั้นรักษาปกครองซึ่งทรัพย์ด้วยประการดังแสดงมาชนี้ท้าพระยาทั้งหลายก็นำไปเสียซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นโจรทั้งหลายก็ลักไปซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นมิฉนั้นไฟไม่เสียมิฉะนั้นน้ำพัดออกไปเสีย มิฉะนั้นศัตรูหมู่ร้ายญาติที่ไม่ได้เป็นที่รักลักเอาไปเสียกุละบุตรนั้นก็โศกเศร้าเสียใจลำบากกายลำบากจิตเปริเทวนาริ่มไรตีอกโชกเสียนถึงซึ่งหลงไหลฟั่นเฟือนสติออกวาจาว่าทรัพย์อันดายที่เป็นของของเราทรัพย์นั้นหาเป็นของเราไม่แล้วมิได้มีแก่เราแล้วพิกาเว ดูกรภิกษุทั้งหลายโทษนี้ก็เป็นโทษแห่งกามคุณทุกกะราสีกองแห่งทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้ก็เพราะมีกามคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกามคุณมีกามะคุณเป็นโทษเป็นโทษแห่งกามคุณนนปุณจะเจปรังพิกเวดูกรภิกขุทั้งหลาย ยังเหตุอื่นอีกเล่าพระยาทั้งหลายวิวาทกันกับพระยากษัตริย์ทั้งหลายวิวาทกันกับกษัตริย์รามทั้งหลายวิวาทกันกับพราม์ครหับดีทั้งหลายวิวาทกันกับครหับดีมารดาวิวาทกันกับบุตรบุตรวิวาทกันกับมารดาบิดาวิวาทกันกับบุตรบุตรวิวาทกันกับบิดาพี่วิวาทกันกับน้องพี่ชายวิวาทกันกับน้องหญิง น้องหญิงวิวาทกันกับพี่ชายสหายวิวาทกันกับสหายก็เพราะมีกรรมาคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกรรมคุณแต่กะละวิวาธมาปัญ น, นาชนทั้งหลายมีพระยาและกษัตริย์เป็นต้นนั้นถึงซึ่งทะเลวิวาทกันแล้วก็เพียรพยายามประหัดประหารกันด้วยมือบ้างเพียรพยายามตีกันด้วยก้อนดินบ้าง เพียรพยายามตีกันด้วยท่อนไม้บ้างเพียรพยายามฟันแทงกันด้วยสัตว์ราวุธบ้างเตตัทธมารณงปินิคัตฉันติชนทั้งหลายมีพระยาและกษัตริย์เป็นต้นนั้นก็ถึงซึ่งมรณะบ้างถึงซึ่งทุก์แทบบรรดาตายบ้างพิกเวดูก่อนพิกขูทั้งหลายอายังวิวาโท อาการที่ทะเลาะวิวาทกันนี้เป็นโทษแห่งกามาคุณทุกขราสีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้ก็เพราะมีกามาคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกามาคุณมีกามาคุณเป็นโทษอุณาจระเปรังพิฆเเวดูก่อนพิขุทั้งหลายยังเหตุอื่นอีกเล่า ชนทั้งหลายถือเอาซึ่งดาบและโล่ผูกสอดซึ่งแร่งธนูถือเอาซึ่งปืนไฟและปืนยาแยกกันเป็นสองกองแล้วก็เข้าสู้สงครามรบกันหน้าที่ยุทธภูมิยิงไปซึ่งลูกปืนบ้างพุ่งไปซึ่งหอกบ้างฟันด้วยดาบบ้างบางพวกเล่าก็ยิงมาซึ่งลูกปืนพุ่งมาซึ่งหอกปันด้วยดาบเตชนาชนทั้งหลายนั้น ถึงซึ่งมรณภาพล้มตายในที่รบบ้างถึงซึ่งทุกแทบบรรดาตายบ้างพิกเวดูก่อนพิกขุทั้งหลายอาการที่ย่างเข้าสู่สงครามทิมแทงฆ่าฟันกันถึงแก่มรณะล้มตายบ้างถึงซึ่งทุกแทบบรรดาตายบ้างทั้งนี้ล้วนเป็นโทษแห่งกามาคุณทุกขราศีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้ ก็เป็นโทษแห่งกามมคุณมีกามมคุณเป็นเหตุมีเหตุแห่งกามมคุณอุณาจะปรังพิฆเเวดูก่อนพิขูตทั้งหลายยังเหตุอื่นอีกเล่าชนทั้งหลายถือเอาซึ่งดาบและโลเคนผูกสอดซึ่งลูกซ้อนในแร่งธนูล่นไปโดยอัตถาวะเลปนะและอุปการิยะอธิบายว่า มนุษย์ทั้งหลายก่อซึ่งเชิงเทินด้วยอิดมีสันฐานดังกีบม้าภายนอกนั้นทาด้วยปูนเชิงเทินกระทําด้วยประการดังนี้เรียกชื่อว่าอุปการิยะเชิงเทินทั้งหลายนั้นทาและทาด้วยเปลือกก็ได้ชื่อว่าอัตทาวะเลปณนะปักขันทันติมนุษย์ทั้งหลายอยู่หน้าเบื้องต่ำแห่งเชิงเทินทั้งหลายนั้นแล้ว ก็แทงด้วยสัตราวุธทั้งหลายมีเหลาเหล็กเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายนาภายนอกมิอาจจะขึ้นมาได้เหตุกำแพงนั้นลื่นแล้วก็แล่นหนีไปบางพวกก็ยิงด้วยปืนบางพวกก็แทงด้วยหอกบางพวกก็แกว่งดาบเป็นแสงวาวมนุษย์ทั้งหลายนั้นที่ถือซึ่งปืนก็ยิงด้วยปืนถือซึ่งหอกก็แทงด้วยหอกบางพวกก็เทล่าลงไป ซึ่งโคัมอันร้อนบางพวกก็ชักด้วยขอสับด้วยคราดเหล็กลากขึ้นมาแล้วก็ตัดศีรษะด้วยดาบเตมนุษามนุษย์ทั้งหลายนั้นตายในที่รบก็มีถึงซึ่งลำบากแทบบรรดาตายนั้นก็มียังพิกเวกามานังอธีวโนดูก่อนพิกขุทั้งหลายสภาวะถึงซึ่งมรณะตายในที่รบ และถึงซึ่งทุกขเวทนาแทบบรรดาตายทั้งนี้เป็นโทษแห่งกรรมคุณทั้งหลายทุกขราสีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้มีกามคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกรรมคุณอุณาจะป ร, ะรังพิขเวดูก่อนพิขุทั้งหลายยังเหตุอื่นอีก ชนทั้งหลายตัดซึ่งที่ต่อแห่งเรือนก็ดีตีซึ่งบ้านแล้วและกระทำซึ่งริบ ป, ปล้นก็ดีควบคุมกันเข้าประมาณห0 6 0ิแล้วและจับนํามาก็ดีปริปันเถติดทันติดอมมองคอยอยู่แทบผลทางคอยปล้นซึ่งคนเดินทางก็ดีปราชาราังคัดชันติคบหาภริยาแห่งผู้อื่นก็ดี พระยาทั้งหลายจับได้ซึ่งมนุษย์เหล่านั้นอย่างชนให้กระทาซึ่งกรรมกรมีประการต่างๆมีเคียนด้วยวายเป็นต้นเหมือนพันนามาแล้วแต่หลังดูก่อนพิขูทั้งหลายโทษนี้เป็นโทษแห่งกรรมคุณทุกขราศีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปดังนี้ก็เพราะมีกรรมคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกรมคุณ ดูกรพิขูทั้งหลายยังเหตุอื่นอีกเล่ามนุษย์ทั้งหลายประพฤติซึ่งทุจริตด้วยกายประพฤติซึ่งทุจริตด้วยวาจาประพฤติซึ่งทุจริตด้วยใจมนุษย์ทั้งหลายนั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วกายะสาเทธาปรมมรณาครันทาลายเบญจขันเบื้องหน้าแต่จุดตีจิต ก็ไปบังเกิดในติราชานกำเนิดเปรตวิสัยอสูรกายนรกดูก่อนพิขูทั้งหลายโทษนี้ก็เป็นโทษแห่งกรรมาคุณทุกขราสีกองทุกเห็นประจักษ์เป็นไปในปโรโลกดังนี้ก็มีกรรมาคุณเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งกรรมาคุณดูก่อนพิขูทั้งหลาย โยกาเมโสฉันทราคาวินโยอาการที่นำเสียซึ่งชันทราคะความปรารถนาในกามคุณอันใดก็ดีกิริยาที่ละเสียซึ่งชันทราคะความกำหนัดในการมคุณอันใดก็ดีกิริยาที่นำเสียและละเสียซึ่งชันทราคะความปรารถนาและความกำหนัดในการมคุณนี้ได้ชื่อว่ากามะนิสรณะได้แก่พระนิพพาน เหตุชะนี้ล่ละสมเด็จพระศาสดาจารย์จึงได้ทรงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์พิขุทั้งห้าในธรรมจักกัปวัตนสูตรนี้อีโนลามโกกามสุขันลิกานุโยคคือกำนัดยินดีในเบญจกามคุณนี้เป็นของชั่วของลามกมิได้เป็นของแห่งพระอริยเจ้ามิได้ประกอบด้วยประโยชน์ บุคคลผู้เป็นบรรพชิตในพระบวรพุทธศาสนาพึงละพึงเว้นเสียอย่าได้ซองเสพสมาคมอย่าได้นิยมว่าเป็นของอันดี